คำขอธันดะสมมุติและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงให้ธันดะสมมุติอย่างนี้ภิกษุไข้นั้นพึงเข้าไปหาสงหมอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายแล้วนั่งกระโยง ประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมเป็นไข้ขาดไม้เท้าแล้วไม่สามารถจะเดินไปไหนได้กระผมจึงขอันะส ม, มุิต่อสงพึงขอแม้ครั้งที่สองละพึงขอแม้ครั้งที่สามท่านผู้เจริญกระผมเป็นไข้ขาดไม้เท้าแล้ว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 สงให้ทันดะสมมติแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ทันดะสมมติแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงทันดะสมมติสงให้แก่ภิกษุชื่อนี้แล้วสงเห็นด้วย เพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้ขาดสาหรกแล้วไม่สามารถนำบาทไปได้ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ